ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องปัญญาไวใจกล้าวานรินทชาดกโดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่28กันยายน2546ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ เดี๋ยววันนี้เรามาฟังเรื่องเบาๆชาดกสักเรื่องหนึง่งบางคนอาจจะได้ยินมาบ้างแล้วก็ได้แต่อาจจะไม่ได้เคยฟังรายละเอียดเรื่องสั้นๆมาตั้งชื่อเป็นภาษาไทยว่าปัญญาไวใจกล้าต้องมีปัญญาวแววไวด้วยแล้วจิตใจก็ต้องกล้าหารด้วย ชืชาดกเขาชื่อวานรินทะชาดกเรื่องนี้เริ่มที่พระพุทธเจ้าณนะเมื่อประทับอยู่ณนะพระเชตวันมหาวิหารทรงได้รับข่าวร้ายว่าพระเทวทัตซึ่งเป็นเชตพอาดาเชตพาดานี่หมายถึงว่าพี่ชายนั่นเองณพระเทวทัตเป็นเชตพอาดาของพนางพิมพา กำลังคิดมุ่งหมายประทุษร้ายพระองค์เพื่อปรงพระชนเสียพระศาสดาจึงได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่พระเทวทัตตะเกียดตะกายหมายจะฆ่าเราแม้ในการก่อนก็ตามก็เคยคิดร้ายอย่างนี้มาแล้วเหมือนกันแต่ก็ไม่อาจทำให้เราสะดุ้งได้เลยแม้สักเพียงเล็กน้อย คือจริงๆแล้วพระเทวทัศเนี่ยอาจจะหมายจะปฏิทุสรายแล้วก็บ่งพระชนพระพุทธเจ้าเนี่ ย, ยมากระจำไม่ได้ว่ากี่ครั้งต่อกี่ครั้งนะเยอะมากเลยหมายที่จะเป็นใหญ่หมายที่จ ะ, ะปกครองสงส์เองหมายจะเป็นแบบเหมือนกับาศาสดาซะเองอะ นะแล้วก็ให้มีบริวารมีอะไรซึ่งจริงๆแล้วก็มีบริวารอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะที่เชื่อพระเทวทัตแล้วก็ไปอยู่กับพระเทวทัตพระพุทธเจ้าท่านก็ทราบนะท่านก็รู้รู้เรื่องมารู้ข่าวมาแล้วก็ตัวท่านเองท่านก็โดนโดนเบียดเบียนโดนทำร้ายโดยพระเทวทัตไล่หุ่นแต่ท่านเองท่านก็อะไรอะ่ะไม่มีจิตที่จะไปจัด การแบบอะไรอ่ะถ้าเป็นโรคเดี๋ยวก็บอกว่าล้างแค้นหรือว่าจะไปแก้แค้นเนี่ยไม่มีนั้นอย่างเก่งท่านก็บอกว่าอ่เทวทัศน์แต่ก่อนนั้นเป็นอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็กลายไปเป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วแล้วก็ขับออกจากหมู่หมู่สงคือไม่ไม่ให้อยู่ในหมู่อย่างเงี้ยอย่างเก่งท่านก็แค่นี้แหละนะแล้วก็บอก เราภิกษุไปทั่วโดยที่ไม่อะไรอ่ะไม่ได้ไปจัดการอะไรพระเทวทัศน์แบบชนิดเทวทัวตองให้คนไปเล่นงานอะไระไม่มีอ่ะแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็อาศัยบา ร, รมีอาศัยแรงต่างของท่านเนี่ยอะไรอ่ะคือคือทำอันตรายพระพเจ้าไม่ได้อยู่แล้วอ่ะอันนี้เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งนะของความเป็นพระพุทธเจ้าที่จะไม่มีใครเนี่ย มาทำร้ายแบบชนิดที่เรียกว่าฆ่าผู้เจ้าให้ตายจะไม่มีคือคือจะตายเองคือจะตายเองนะไม่ไม่ใช่ตายเพราะน้ำมือของใครอันนี้เป็นบุญกุศลที่ผู้เจ้าเนี่ยท่านสั่งสมการช่วยเหลือคนสั่งสมเมตตาสั่งสมอะไรต่างๆจนกระทั่งเรียกว่าจะไม่ตายโดยที่คนอื่นมาฆ่าอันนี้เป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งเลยขนาดเอ่อ พระเยซูใช่ไหมอของคริสเขาอ่าเห็นมันยังโดนนั้นยังโดนประหารเลยนะยังโดนตึงไม่กันเขนแต่คุณสมบัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยคื อ, ค อ, คอไม่ได้มีเจตนาที่จะไปอะไรนะเหมือนกับไปข่มอะไรนะแต่ว่าเจตนาจะพูดเพื่อให้เห็นว่าคุณสมบัติของพระุทธเจ้าเนี่ยท่านจะต้องสั่งสมบุญบรารมีที่เรียกว่าจะต้องรอดพ้น อันตรายแม้ว่าบางทีเนี่ยจะต้องไปปราบเจ้ารัตที่อื่นๆหรือว่าต่างๆแต่ปราบยังไงเนี่ยไปเล่นงานพูดง่ายเล่นงานเขาอื่นเขายัางไงก็ตามแต่ท่านจะใช้ธรรมะเนี่ยท่านจะใช้การพูดจาใช้การบอกกล่าวใช้เหตุผลใช้อะไรที่เหนือกว่าจนกระทั่ง อ, อ, อีกฝ่ายยังยอมแพ้คือจะไม่ใช้อาวุธจะไม่ใช้กําลังที่ เป็นการเบียดเบียนเป็นการทำร้ายกันเป็นถึงร่างกายถึงอะไรพวกนี้น่าจะไม่มีอันเนี้เป็นบา ร, รมีที่ผู้เจ้าสั่งสมมาจนกระทั่งท่า น, านได้เป็นผู้เจ้าเนี่ยท่านก็จะไม่ไม่ตายเองรวมไปทั้งวิบากกรรมของท่านโด้วยนะว่าวิบากกรรมเนี่ยท่านต้องไม่ไปทําวิบากกรรมหนักมาถ้าท่านไปทําในอดีตชาติของท่านเนี่ยอดีตของพระเจ้า ถ้าไปทําบิบากกรรมหนักมาคืออนันตาริยกรรมคือทําอะไรบ้างข้าพ่อข้าแม่ข้าพระลาหาันแล้วก็อะนะเบียดเบียนหรือว่าทําลายผู้เจ้าแม้ไม่ถึงตายเนี่ยแต่ทําแค่ผู้เจ้าบาดเจ็บนี่ก็เป็นอนันตาริยกรรมด้วยนะหรือแม้แต่นั่นแหละที่เมื่อกี้เราบอกโอ้โหทําให้หมู่สงฆ์ที่สามัคคีกันถึงขั้น แตกแยกถึงขั้นอะไรเนี่ยกรรมหนักทั้งนั้นะพวกนี้แต่แต่โดยเฉพาะที่เนี่ยที่บอกว่าไปฆ่าพ่อแม่ฆ่าพระอรหันต์หรือว่าทำร้ายพระเจ้าให้ห่อเลือดแม้แม้แค่ห่อเลือดอันเนี้ยรับรองเลยถ้าไปทำกรรมหนักพวกนี้แล้วจะต้องโดนคือจะไม่ตายธรรมดาแล้วไม่ตายแบบธรรมชาติแล้ว คือจะตายโดยที่จะต้องโดนคนอื่นเปพีย น, น, นทําร้ายเหมือนกันเหมือนพระโมคคัลลานะเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าเนี่ยทําร้ายบิบามารดาของตัวเองในชาติอดีตชาติเคยทํามาเพราะฉะนั้นขนาดเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระุทธเจ้เาพอตอนที่ถึงเวลากรรมมาตามทวงแล้วก็ต้องยอมไม่เข้าทุบตีจนกระทั่งดู ก, กระดูกนี่ แหลกเลยต้องตายต้องยอมตายเพราะว่าต้องใช้วิบากกรรมไอ้มาเนี่ยถ้าไปไปสั่งสมกรรมพวกนี้มาแล้วหนีไม่พ้นหนีไม่รอดเลยแต่เพราะนั้นระดับผู้เจ้าเนี่ยจะต้องไม่มีไม่ไปทํากรรมหนักพวกนี้ไว้เลยไม่ว่าชาติไหนไหนแต่ว่ากรรมที่บางทีไปฆ่าเ้าตายบ้างอะไรบ้างมีนะแต่ว่าไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่พระอะหันไม่ใช่ผู้เจ้าอะไรพวกนี้เนี่ย เพราะนั้นก็ยังไม่ใช่กำหนักเนี่ยในในที่เราศึกษามาในชาดกหรือในอดีตชาติต่างๆมีโอ้ค่าคนก็ไม่น้อยเหมือนกันนะ่มีนะตอนนี้ปรากฏว่าพอพระพุทธเจ้าท่านทรงทราบเรื่องนี้มาใช่ไหมท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยพระเทวทัศน์เนี่ยก็ไมายตะเกียกตะกายยาฆ่าเราอยู่เรื่อยอนั้นแต่ท่านก็ไม่เคยสะดุ้งเลย ไม่เคยที่จะตกใจกลัวแม้สักนิดเดียวก็อย่างที่บอกอะ่ะก็ไม่กลัวเลยเพราะอะไรเพราะพูะเจ้านี่ท่านเชื่อกฎแห่งกรรมอยู่แล้วท่านชัดเจนเรื่องกฎแห่งกรรมวันเมื่อท่านไม่มีกรรมหนักกรรมหยาบอะไรมาเพราะนั้นยังไงเนี่ยพระเทวทัตจะมาเบียดเบียมาทำร้ายยังไงก็ไม่สามารถที่จะถึงขั้นที่จะฆ่าท่านให้ตายได้นะอันเนี้ย ใครก็ตามถ้าชัดเจนเรื่องกฎแห่งกรรมพวกนี้นะคุณก็จะเบาใจได้ขนาดนี้หรือแม้แต่บางทีเนี่ยเราโดนเบียดเบียนเราโดนทําร้ายก็ตามเราก็จะคลายใจจะวางใจได้ว่าเออเราก็ใช้นี่ไปอีกลายหนึ่งนะมันก็ไม่ไปทุกไปร้อนอะไรมากแต่ถ้าใครเนี่ยชอบคิดโอ้เราอยู่ดีๆชอบคิดอย่างนี้นะคือชอบคิดว่าเราอยู่ดีๆ ทำไมเขามาด่าเราทำไมเขามาตีหัวเราไม่มีใครอยู่ดีๆแล้วจะโดนเนี่ยมันต้องไม่ดีมาก่อนทั้งนั้นแหละมันถึงได้มาโดนอแต่พูดอย่างนี้ไม่ได้ตายตัวนะเนี่ยเรื่องวิบากกรรมมันไม่มันไม่ตายตัวเมื่อกี้เนี่ยเราถือว่าเป็นวิบากกรรมเก่าก็เลยว่าโดนเข้ามาตีหัวใช้นี่เก่าเขาคืนไปเพราะเราเคยไปเบียดเบียนทําร้าย ใ, ใครเอาไว้ เพราะนั้นเราก็เลยโดนบ้างอันนั้นถือว่าเป็นวิบากกรรมเก่าแต่อีกอย่างหนึง่งไม่จําเป็นถ้าเป็นของเก่าก็ได้เป็นกรรมใหม่นะเขาเนี่ยแหละเขามาเบียดเบียนเราเองอะ่ะเขามาทําร้ายเราเองโดยที่เราไม่ได้ติดหนี้อันนี้มาเลยแต่เขามาเล่นงานเราเสร็จเอาสมมติว่าโดนเอาไม้มาตีหัวตีหัวหัวแตกเลยหัวเลือดอาบเลย แต่เราปฏิบัติธรรมเรามีบากผลเราก็ไม่โกรธไม่เกลียดเราให้อภัยไปอันนี้เป็นการอะไรเขาเรียกว่าเหมือนกับพระโพธิสัตว์เนี่ยจะฝึกฝนตัวเองเพื่อที่จะให้บารมีสูงขึ้นนะมีวิชาความรู้มีความสามารถให้มากขึ้นเนี่ยต้องฟาดานฟาดาน ความยากความลาบากต่างๆเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นดานต่างๆที่เป็นกรรมใหม่เป็นวิบวิบากกรรมใหม่เพื่อให้เราเนี่ยหัดฟาดานอันนี้ไม่ใช่กรรมเก่าน ะ, อ, ะอันนี้เป็นกรรมใหม่แล้วเพราะนั้นบางคนเนี่ยอาจจะนึกแค่ชาตินี้นึกยังไงก็นึกไม่ออกเพราะฉะนั้นบางทีอรรมาก็เลยบอกอ้าวถ้าคุณนึกไม่ออกจริงๆะนะมันจะไปนึกมันหรอก ถือว่าเป็นกรรมใหม่แล้วกัน <c ười> คือไม่ต้องถือว่าเป็นกรรมเก่าอ่าบางทีคลายใจได้นะถ้าเราถือเป็นกรรมใหม่ก็คือถ้าคิดว่าเป็นกรรมเก่าเนี่ยนะบางทีมันถึงโอ้ขอขอใช้สำนวน ว, นว่ากูคงทองบา่าวยะนะืนนั้นถึงได้โดนแบบเนี้อ่าอนี่เราเราคิดแบบแบบของเก่าบางทีมันน้อยใจเหมือนกันนะโอ้โหสงสัยเราทําไมแย่จังเลยเนี่ยมันถึงได้โดนแบบเนี้ยอ่าแต่นี้ถึงบอกว่าท่านึกไม่ออก แล้วเรานึกแค่ชาตินี้เรานึกนึกยังไงก็เออเราว่าเราไม่เลวร้ายเราไม่ชั่วร้ายอะไรถึงขนาด น, นั้นนะทำไมซวยจังเลยโดนโกงมันโดนแกล้งมั่งนะขับรถไปเจออุบัติเหตุโอ้เจออะไรต่ออะไรเนี่ยทั้งทั้งที่เออชาตินี้เราก็เราพยายามปฏิบัติอย่างดีแล้วนะแล้วทำไมยังเจออย่างนี้อีกเพราบางทีก็ตัดรอบคิดว่าเป็นกรรมใหม่ก็ได้เอ้าว่าเป็นเป็น กรรมที่จะมาให้เราเนี่ยสร้างบา ร, รมีใหม่ของเราเพิ่มขึ้นเพราะนั้นพอเราสวยอย่างนี้เข้ามาเจอเจอความเคาะร้ายเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเออเป็นการสร้างบา ร, รมีของเราถ้าเราสอบผ่านได้เราจะสูงขึ้นอ่าเราจะสบายขึ้นคิดอย่างนี้มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออรู้สึกว่านี่นี่สแสดงว่ากาลังจะได้เลื่อนฐานแนละ้วเจออย่างนี้กาลังจะเลื่อนฐานจะได้สูงขึ้น คิดอย่างนี้แล้วมันก็สบายใจขึ้นใช่ไหมแล้วมันก็แล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออมีกําลังใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติให้มากขึ้นเพราะเพื่อเจ้าท่านก็ชัดเจนในตัวเองคราวนี้ท่านก็ไม่หวาดกลัวเลยไม่สะดุง้งแม้แต่นิดน้อยหนึ่งนะที่พระเทวทัตจะมาเล่นงานเสร็จแล้วก็เลยบอกว่านี่ไม่ใช่เล่นงานแค่ตอนนี้นะ แม้แต่อดีชาติก็เล่นงานมาบ่อยเลยบางชาติเนี่ยผู้เจ้าโดนพระเทวทัตทาร้ายถึงตายเลยนะโดนโดนโด น, โดนพระเทวทัตเนี่ยคืออดีชาติของพระเทวทัตทำร้ายจนกระทั่งตายเลยก็มีที่ที่อาตมาอ่านมาเนี่ยชาดกบางเรื่องอรู้สึกตอนนั้นจะเป็นพยาวานอนหรือไง พระเทวทัตนี่แก้งขึ้นไปอยู่บนยอดไม้สูงๆแล้วก็โดดลงมานะทับใส่ทับใส่พยาวานอนจนกระทั่งเรียกว่าโอ้โหอะไรอ่ะช้ำในไงตับแตกนะโอ้ตายเลยจริงๆนั่นแหละนะบางชายก็จะมีอย่างนั้นอันนี้พอพูดให้ภิกษุทั้งหลายฟังอย่างนี้ใช่ไหมภิกษุก็เลยอยากจะรู้ว่าเอาเรื่องไปยังไงบ้าง พระเจ้าท่านก็เลยทรงนําเรื่องราวในอดีตมาตรัสเล่าว่าในอดีตการมีพยาวานอนตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าริมแม่น้ําใหญ่สายหนึ่งพยายามสร้างภาพหน่อยนะสร้างภาพนี่คือจินตนาการฟังเรื่องพวกชาดกพวกอะไรพวกนี้ไปเนี่ยพยายามให้เหมือนกับเราดูหนังเลยเออตอนนี้มีพยาวานอนถ้าใช้คําว่าพยาวานอนเนี่ยแสดงว่าต้องเป็นลิงตัวใหญ่ ถึงใช้คาว่าพยาวานอนตอนนี้อยู่ริมอยู่ริมแม่น้ําสายหนึ่งนะอยู่ในป่าริมแม่น้ําสายหนึ่งเป็นพยาวานอนหนุ่มร่างกายใหญ่โตขนาดลูกม้าโอ้โหเขาไม่ได้บอกนะลูกม้าพันธุไหนโอโ้แต่ตัวใหญ่มากเลยนะขนาดเท่าลูกม้านี่มีพละกําลังดังช้างศารสามารถป่ายปีนได้ว่องไว กระโดดได้ในที่ไกลๆคือกระโดดแต่ละครั้งเนี่ยสามารถกระโดดไปได้ไกลมากเลยจึงมักเที่ยวไปตามแนวฝั่งน้ําเสมอๆเพียงลําพังโดดเดียวนะแสดงว่าคงไม่ได้มีบริวาร น, นึงณกลางแม่น้ําอันกว้างใหญ่ณกลางแม่น้ําอันกว้างใหญ่สายนั้นน่ยสายที่ ท, ที่ที่ป่าอยู่ริมแม่น้ำเนีเน่ย มีเกาะใหญ่อยู่อยู่เกาะหนึ่งตั้งอยู่สมบูรณ์ไปด้วยไม้ผลนานาชนิดคือคือแสดงว่าเป็นแม่น้ำสายใหญ่กว้างมันมีเกาะแก่งอยู่ตรงกลางแม่น้ำเนี่ยโผล่มาอยู่เกาะหนึ่งบนเกาะเนียก็โอ้โหอุดมสมบูรณ์มีผ ล, ลไม้มีอะไรต่ออะไรน า, นานาชนิดเลยดังนั้นเป็นประจำทุกๆเช้าพยาวานอนจึงมักจก กระโดดจนสุดกำลังไปที่ยอดหินก้อนหนึ่งก่อนซึ่งหินก้อนนั้นมียอดโผลพ้ น, น้ําให้เห็นตั้นอยู่ตรงกลางระหว่างริมฝั่งกับเกาะคือเกาะเนี่ยอยู่ตรงกลางไม่น้ําเสร็จแล้วก็มันมีหินหินโผลมาอยู่ระหว่างเกาะกับฝั่งอีกถ้ากระโดดทีเดียวเนี่ยลิงไม่สามารถกระโดดถึงอ่ แต่พอดีมันมีไอหินโผล่มาจากในน้ำเนี่ยนะโผล่ยอดหินมาให้เห็นเนี่ยเลยอาศัยกระโดดไปตรงยี่ก่อนได้แล้วก็กระโดดต่อไปที่เกาะนันนเนี่ยไอหินก้อนนี้ก็ตั้งอยู่ระหว่างริมฝั่งกับเกาะพอดีอาศัยเป็นที่หยั่งเท้าแล้วก็โจรต่อไป จ, จนถึงเกาะจึงได้กินผลไม้อันโอชะบนเกาะ น, นั้นเมื่อเพลิดเพลินหากินจนอิ่มหนำสำาสําราญแล้ว ในเวลาเย็นจึงอาศัยวิธีเดิมก็โดยกลับคืนสู่ริมฝั่งน้ำไปยังที่อยู่อาศัยของตนคือตอนเช้าเนี่ยไปที่เกาะเที่ยวกินผลไม้อะไรจนพออกพอใจแล้วจนถึงเย็นเนี่ยถึงถึงจะกระโดดกลับมาในแม่น้ำใหญ่สายนั้นเองมีจระเข้ผัวเมียคู่หนึ่งอาศัยอยู่ซึ่งจระเข้ ตัวเมียกําลังตั้งท้องและเกิดอาการแพ้ท้องเป็นอย่างมากยิ่งได้เห็นพยาวานอนกระโดดข้ามน้ำไปไปมามาทุกวันก็ยิ่งแพ้ท้องมากกว่าเดิมไม <c oughs> ่แปลกฮะต้องการจะกินเนื้อหัวใจของพยาวานอนอ๋อที่แพ้ท้องนี่คืออยากจะกินลิงนั่นเองนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่กินเนื้อลิงนะอยากจะกินหัวใจของของพยาวานอนตัวนี้ จึงอ้อนวอนคู่ของตนว่าพี่จ๋าฉันแพ้ท้องมากๆอยากจะกินเนื้อหัวใจของเจ้าลิงใหญ่ตัวนั้นพี่ช่วยเอามาให้ฉันทีเถิดอาการของฉันจึงจะระ ง, งับลงได้อาตมาก็ไม่รู้นะว่าผู้หญิงก็แพ้ท้องเขาเป็นยังไงทำไมอ่ะมันเปรี้ยวปากยารืไงหรือมันอะไรยังไงทาไมอ่ะแล้วแพ้แปลกๆกันนะบางคนน่ะ ชาดกมีอยู่เรื่องอะ่ะต้องกินน้ำล้างปักขันของะราชายอย่างเงี้ยแล้วถึงจะระงับอาการแพ้ท้องได้โอ้อย่างงี้ก็มีอันนี้นี่คราวนี้นี่จะแก้อาการแพ้ท้องได้นี่ต้องกินหัวใจของลิงอืมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันทำไมอะ่ะแล้วเอาๆนี่เอาธรรมดานี่ก็แด่บางคนอะไรนะแพ้ท้องก็ไปกิน ของเปรี้ยวๆบางคนแพ้ท้องก็ไปกินอะไรก็ไม่รู้อย่างอื่นนั่นที่ไม่ใช่ของเปรี้ยก็มีอะ่ะเออมันพ่ออะไรอะ่ะอาตมาก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้ฮะใครพอรู้บ้างไงทำไมอ่ะ ม, มันแพ้ท้องแล้วมันมีอุปทานอะไรเกิดขึ้นหรื อ, อยังไงมันถึงได้ต้องต้องแพ้ท้องอย่างงั้นแพ้ท้องอย่างนี้มันเป็นจริงๆมันรู้สึกจริงๆ แล้วไอตอนไม่แพ้ท้องมันเป็นไหมมันก็ไม่เป็นโอ้แสดงว่ามันเป็นวิบากกรรมไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดแต่ว่าก็คงต้องเป็นวิบากกรรมนะอานจริงๆนะเพราะว่าบางคนแพ้ท้องแปลกๆอะใช่ไหมเอาก็ปกติไม่เป็นเน่ยบางคนเขาก็บอกว่าอะไรนะลูกในท้องอยากจะกินแบบนี้ก็เลยเรียกร้องอะไรความรู้สึกของแม่ให้แม่เนี่ย พูดไง ค, คือเด็กพูดไม่ได้นะอยู่ในท้องอะ่ะเด็กก็เอาคือเด็กในท้องนี่มีจิตวิญญาณนะมีจิตใ จ, ใจแล้วนะมีความรู้สึกนึกคิดได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นบางทีเขาก็อาจจะส่งกระแสะจิตมาที่แม่ใช่ไหมบอกให้แม่แม่แม่แ ม, แ ม, แ ม, แม่แพ้ท้องขนมครกบางคนอาจจะชอบไอศครีมอะไรเงี้ยอเพราะฉะนั้นก็เลยพูดง่ายว่าเลยแม่เลยเล ย, เลยรู้สึกอย่างนั้น ก็เลยอยากจะไปกินทั้งทงี่ปกติบางทีแม่ไม่จะอยากกินน่ะถูกไหมอ่าก็ไม่แน่นะนี้อัมาเด า, เานะ อ, อ, อาจจะสัมพันธ์อาจจะผูกพันกับลูกอาจจรยนี้ปรากฏว่าเออมียจระเข้ตัวนี้อยากกินหัวใจลิงแล่ละจระเข้ตัวผู้ใช่ไหมก็รับคาอย่างแข็งขันว่าได้สิน้องจะต้องได้กินหัวใจลิงแน่ๆ เย็นวันนี้พี่จะคอยดักจับมาให้แล้วจระเข้ตัวผู้นั้นก็ว่ายน้ำไปยังยอดหินที่โผล่อยู่กลางน้ำพรางตัวนอนดักอยู่บนยอดหินนั้นรอเวลากระโจนกลับคืนฝั่งของพยาวานอนคือพูด ง, ง่ายๆพอตอนเช้าใช่ไหมพยาวานอนไปที่เกาะผลไม้นั่นแหละจราเข้ก็ไปเลยาเนี้ย ไปนอนดักอยู่ที่ไอ้ก้อนหินเนี่ยพางตัวคือคือเดี๋ยวพอตอนเย็นพยาวานอนจะกระโดดกลับมาจ ะ, จะต้องมายั่งเท้าลงที่ก้อนหินก้อนนี้เพราะนั้นก็เลยไปนอนพางตัวก็หมายความว่าไงก็ต้องมันไม่ใช่พางตัวแบบคนนะ เ, เคยเห็นนะทหารเนะ่เวลาก็พางตัวเขาทำไงเขาเอาไอ้อะไรนะ เอาทานหรือเอาดินเอาสีดำๆอะไรเนี่ยใช่ไหมป้ายหน้ามั่งป้ายอะไรให้มันด่างๆอนะให้มันเหมือนกับไอ้ต้นไม้ใบหญ้าอะไรชุดเขาก็จะอะไรเขาเขาเรียกชุดพรางเขาก็จะใส่ชุดที่เป็นอดูแลเหมือนกิ่งไม้ต้นไม้ใบไม้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพรางอาตมาก็ไม่รู้ว่าจระเข้มจะพรางตัวยังไง แต่ไม่รู้ละมันก็ไปนอนไอท้ที่ไอ้ที่ยอดหินก้อนนี้โดยที่โดยที่พยายามไม่ให้พยาวานอนเนี่ยรู้ว่าจระเข้มานอนดักอยู่ ه, ให้นึกว่าเป็นก้อนหินก็คงจะนอนนิง่งๆแน่ๆอยู่แล้วอ่ะจระเข้มันไม่สุกซนนักหรอกส่วนใหญ่อะ่ะจระเข้จระเข้ยืนนอนสังเกตุว่าบางทีนอนเคยเห็นแม่อาปากวออยู่งั้นนะค้างอยู่ยงั้นนะ่ะนะ เคยเห็นไหมใครเคยไปเขาดินไปอะไรเออมันอย่างงั้นจริงๆนะดูยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นอย่างนึกว่เอ๊ะตายหรือเปล่าวันนี้เขาสตาฟเอาไว้หรือเปล่าแต่ไม่อะ่ะก็มันก็ปกติมันแจะมันนอนอ้าปากอยู่ยงั้นอะ่ะก็ไม่รู้มันอะไรของมันแปลกดีมั้งไง <c oughs> อุ้ยจะไปนอนคอยเหยื่ออยู่เขาดินเน่ะบางทีมันอาจจะร้อนก็ได้มันนอนอะไรอะ่ะ ระบายอากาศเอาละไม่รู้เราไม่ไม่รู้นะว่าเคยเป็นจระเข้ป่าวไม่รู้ชาติไหนปรากฏว่าไปดักอยู่ละคันพยาวานอนเที่ยวกินผลไม้จนเป็นที่พอใจแล้วก็มายืนอยู่ที่ชายเกาะเพื่อจะกระโจนไปอย่างเท้าที่ยอดหินนั้นแต่มองแล้วรู้สึกผิดสังเกตว่าดูนะ้าผิดสังเกตยังไงแสดงว่าพยาวานอนตัวเนี้ยน่า อะไรอ่ะช่างสังเกตนะไม่ใช่ประเภทหยิบอะไรเข้าปาก็ไม่รู้ <c oughs> ถือว่าเจสัอย่างอห <c oughs> ยิบอะไรเข้าป่าก็เคี้ยวได้ทั้งนั้นะนะไม่ได้หรอกนะต้องสังเกตรปรากฏว่าสังเกตอะไรเออหนอทําไมวันนี้ยอดหิงกลางน้ํานั้นจึงแลดูสูงขึ้นและใหญ่ขึ้นทั้งทั้ ง, ท, งที่น้ำํำในแม่น้ํายังไม่ได้ลดลงเลย อะไรมันเกี่ยวกับน้ำในแม่น้ําลดลงหรือหรือเพิ่มขึ้นมันเกี่ยวกันยังไงถ้าน้ําขึ้นเป็นยังไงเออไอ้ยอดหินมันต้องเล็กลงใช่ไหมพอน้ําขึ้นแต่ถ้าน้ําลงเอาก้อนหินมันต้องดูใหญ่ขึ้นสิเพราะว่าน้ํามันลดลงอะแต่ตอนนี้เห็นผิดสังเกตเอ๊ะทำไมน้ํามันก็ไม่ได้ลดลงแต่ทําไมดูหินมันใหญ่ขึ้นเนะจึงตั้งใจพิจารณาดูให้ชัดเจนแล้วก็รู้ได้ว่า เป็นจระเขพรางตัวนอนคอยอยู่บนยอดหินนั้นและด้วยสติปัญญาอันเฉลียวฉลาดพญาวานอนจึงร้องเรียกเสียงดังออกไปว่าดูนะร้องเรียกยังไงนะแล้วพวกเราฟังแล้วจะตอบอยังไงบ้างนะท่านก้อนหินท่านก้อนหินท่านก้อนหินตะโกนเรียกก้อนหินเป็นไงจะตอบว่างไงอ่ะ ฮะจะตอบว่ายังไงดีอ๋อจะตอบว่าไม่ใช่ก้อนหินเหรอแฉฉลาดมากโอ้ยอย่าอย่าฉลาดอย่างนี้เลยนะอ้าวปรากฏว่าพอเรียกไปใช่ไหมแต่ไม่ได้มีเสียงใดตอบมาเลยน่าแสดงว่าจอร์คเเค่เขาฉลาดกว่าพวกคุณจอร์เขค่ตัวนี้ฉลาดกว่าพวกคุณอเออจอร์เขค่ไม่ยอมตอบอ่าพอจอร์เเค่ไม่ตอบ พยาวานอนจึงร้องทักต่อไปอีกว่าท่านก้อนหินผู้เจริญวันนี้ท่านเป็นอย่างไรไปเล่าจึงไม่ได้พูดตอบรับกับข้าพเจ้าเลยหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าปกติคุยกันเป็นประจำถูกไหมนี่พยาวานอนเนร่บถามไปอย่างนี้แล้วนะเจรแค้ได้ยินอย่างนั้นก็อดคิดไม่ได้ว่าเอหรือว่าก้อนหินนี้ คงจะพูดคุยให้คำตอบกับเจ้าลิงตัวนี้ทุกวันเป็นแน่เอาลนะจ้าเครเริ่มคิดแล้วคิดดังนั้นจึงรีบตอบออกไปว่าอดไม่ไหว <c ười> อะไรหรือท่านวานอนผู้เจริญอันนี้นตอบออกไปแล้วพอจระเข้อ้าปากพูดพยาวานอนก็ยิ่งเห็นได้ชัดเจนทันที ว่าอาที่จระเข้แน่และนะไม่ใช่ก้อนหินจึงถามต่อไปว่าอ้าวท่านไม่ใช่ก้อนหินนี่แล้วท่านเป็นใครกันจระเข้รู้ตัวว่าโดนเปิดเผยแล้วจึงยอมรับตามจริงว่าเราเป็นจระเข้อาศัยอยู่ในน้านน้ำนี้เองอ้าวแล้วท่านมานอนอยู่บนก้อนหินนี้เพื่อปรารถนาอะไรจระเข้ก็ตอบตามตรงอย่างไม่อ้อมค้อมเลยว่า เราต้องการเนื้อหัวใจของท่านเอาไปให้เมียของเรากินแก้อาการแพ้ท้องสื่อสัตว์ดีมากถามมายังไงตอบไปตามนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบโบราณการเคยมีเนี่ยสมัยโบราณมาหรือแม้แต่ชาดกบางเรื่องที่มีมาแต่โบราณเนี่ยคนเราเนี่ยโกหกไม่เป็น คนเราเนี่ยมาโกหกกันทีหลังนะเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นภายหลังเพราะนั่นแต่ก่อนเนี่ยคนเรานึกอะไรเห็นอะไรคิดอะไรยังไงพูดไปตามนั้นตามความเป็นจริงไม่มีการโกหกเพราะถ้าใครเนี่ยพูดไม่จริงนี่จะเป็นเรื่องแปลกประหลาดจะเป็นเรื่องมหาสารมากว่าเอา้าคนนี้พูดไม่จริงได้ยังไงเพราะสมัยก่อนไม่มีเพราะตั้งแต่โบราณมาจริงๆแล้วเนี่ย คนเราพูดแต่ความจริงทั้งนั้นไม่มีการโกหกเลยทําผิดอะไรมาก็บอกไปตามตรงว่าทาผิดอย่างนั้นอย่างนี้หรือจะไปทำอะไรเนี่ยแม้แต่จะไปทําผิดเนี่ยเขาก็จะพูดตามตรงว่าเขาจะไปทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไอ้ที่ผิดๆนั่นนะโกหกไม่เป็นผู้ง่ายคนจะก่อนโกหกไม่เป็นจนตอนหลังๆเนี่ยเพราะความโลภนะส่วนใหญ่เนี่ยจะสาเหตุเพราะความโลภ ทำให้คนเราเริ่มโกโหกเริ่มขมโมยเริ่มเบียดเบียนกันเกิดขึ้นเพราะความโลภ